ติดสะมเมตยะมานาวกะปัญหาในเทศที่สองนนะที่ท่านพระติดสะมเมตยะทูลถามว่าใครยินดีแล้วในโลกนี้ความหวั่นไหวของใครย่อมไม่มีใครรู้ส่วนสุดทั้งสองแล้วย่อมไม่ติดในถามกลางด้วยปัญญาพระองค์ตรัสบอกใครว่าเป็นมหาบุรุษใครล่วงแล้วซึ่งตันหาอันเป็นเครื่องเย็บไว้ในโลก คำถามเดียวเนี่ยนะผู้เจ้าก็ตอบคําถามเดียวบรรลุเลยอะ่นะคาถาเนี่ยแต่ตอบได้ทั้งหมดก็บรรลุเลยเขาบอกว่าใครยินดีแล้วในโลกเนี่ยก็ ค, ค, คือความพอใจคือความชอบใจมีความดําริบริบูรณ์เนี่ยนะคำว่าความหวั่นไหวของใครย่อมไม่มีความว่าความหวั่นไหวเพราะตัณหาทิฏฐิมานะกิเลสทุจริตกรรมเนี่ยความหวั่นไหวเหล่านี้ของใครย่อมไม่มีคือไม่หวั่นไหวเพราะตัณหาทิฏฐิเพราะมานะเพราะกิเลส เพราะกรรมอะไรเลยอะ่ะคือท่านไม่หวั่นไหวไม่ปรากฏไม่ประจักษ์คืออันความหวั่นไหวนั่นอะ่ะใครละได้ตัดขาดสงบประงับมีความไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสรยจแล้วด้วยไฟคือยานใครรู้ส่วนสุดทั้งสองคือใครรู้จักทราบเทียบเคียงพิจรารณาเจริญทําให้แจ้งซึ่งส่วนสุดทั้งสอง ใครไม่ติดในถามกลางด้วยปัญญาคือไม่ติดไม่เข้าไปติดออกไปสลัดออกพ้นไม่เกี่ยวข้องมีใจปราศจากแดนกิเลสอยู่จึงเรียกว่าไม่ติดในถามกลางด้วยปัญญาคำว่าพระองค์ตรัสเรียกใครว่าเป็นมหาบุรุษเนี่ยนะคือพระองค์ตรัสเรียกใครพระองค์เนี่ยตรัสใครทรงสำคัญใครชมเชยใครทรงเห็นใครคือบัญญัติใครว่าเป็นมหาบุรุษ คือเป็นอักขระบุรุษเป็นบุรุษสูงสุดบุรุษวิเศษบุรุษเป็นประธานอุดมบุรุษบุรุษประเสริฐใครล่วงแล้วซึ่งตันหาอันเป็นเครื่องเย็บเอาไว้ในโลกความว่าใครเนี่ยล่วงแล้วเข้าไปล่วงแล้วก้าวล่วงพ้นแล้วเป็นไปล่วงแล้วซึ่งตันหาเป็นเครื่องเย็บเอาไว้เนี่ยนะตันหาเย็บอะไรเย็บกรรมให้มีผลให้มีวิบาก เย็บพบเอาไว้กับพบเย็บจุติเอาไว้กับปฏิสนธิเนี่ยนะเย็บเอาไว้กับคติกําเนิดวิญญาณทิติสัตวว่าเนี่ยตันหานี่มันเย็บไม่ให้ออกไปเพราะฉะนั้นใครเนี่ยล่วงตันหาอันเป็นเครื่องเย็บไว้ได้ในโลกสรุปคําถามว่าใครยินดีแล้วในโลกความหวั่นไหวของใครไม่มีใครรู้ส่วนสุดทั้งสองแล้วไม่ติดในท่ามกลางด้วยปัญญาพระองค์ตรัสเรียกใครว่าเป็นมหาบุรุษใครล่วงแล้วซึ่งตันหาอันเป็นเครื่องเย็บเอาไว้ในโลก พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสตอบว่าดูภิกษุมีพรหมจรรย์ในเพราะกา ร, รมทั้งหลายคือเห็นโทษในกา ร, รมแล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยนะปราศจากตัณหามีสติทุกเมื่อทราบแล้วดับแล้วไม่มีความหวั่นไหวะนะผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แหละภิกษุนั้นรู้ยิ่งส่วนสุดทั้งสองและท่ามกลางด้วยปัญญาแล้วไม่ติดอยู่เราเรียกภิกษุนั้นว่าเป็นมหาบุรุษภิกษุนั้นล่วงเสียแล้วซึ่งตัณหาอันเป็นเครื่องเย็บเอาไว้ในโลก ก็สำคัญนะพิกษุมีพรหมจรรย์เพราะกามทั้งหลายคือเห็นโทษในการมแล้วประพฤติมักกับพรหมจรรย์เนี่ยนะปราศจากตัณหาก็ไม่มีละสมุทัยสัตว์มีสติทุกเมื่อทราบแล้วดับแล้วทราบอริยสัตว์ดับกิเลสไม่มีความหมันไว้ด้วยตัณหาและทิฏฐิรู้ส่วนสุดทั้งสองข้างและก็ไม่ติดในท่ามกลางด้วยปัญญานี่แหละเรียกว่ายอดของมหาบุรุษมังค น, น ว่ากามก็แบ่งเป็นวัตถุ ก, กามกับกิเลสกลามเนี่ยคำว่ามีพรหมจรรย์ความว่าความงดความเวน้นเว้นขาดขับไล่เวนกิริยาที่ไม่กระทําไม่กระทําความไม่ต้องความไม่ล่วงแดนความซึ่งความถึงพร้อมด้วยอาสัตธรรมเรียกว่าพรหมจรรย์ก็คือไม่ไม่มีพรหมจรรย์ะนะไม่มกมุ่นในกามอีกอย่างหนึ่งท่านเรียกอริยมครคมีองค์8 ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอริยมรรคมีองค์8นี่แหละเรียกว่าพรหมจรรย์ภิกษุใดเข้าไปเข้าไปพร้อมเข้ามาเข้ามาพร้อมเข้าถึงเข้าถึงพร้อมประกอบด้วยมรรคมีองค์8นี้ภิกษุนั้นเรียกว่ามีพรหมจรรย์คือผู้ใดมีมรรคมีองค์8ผู้นั้นเรียกว่ามีพรหมจรรย์เขาเรียกบุคคลว่ามีทรัพย์เพราะซัพย์คนมีรับก็เพราะเขามีซับนั่นเอ มีโภคลาเพราะโภคลาเรียกกันว่ามียศเพราะยศเรียกว่ามีศิลปะเพราะศิลปะมีศีลเพราะศีลเรียกมีความเพียรเพราะความเพียรเรียกกันว่ามีปัญญาเพราะปัญญาเรียกว่ามีวิชาเพราะวิชาฉันใดพิสูจนใดเข้าไปเข้าไปพร้อมเข้ามาพร้อมเข้าถึงเข้าถึงพร้อมประกอบด้วยอริยมรคมีองค์8ปพิสูจนนั้นเรียกว่ามีพรหมจรรย์ฉันนั้นก็คือผู้มีพรหมจรรย์ก็คือผู้มีอริยมรคมีองค์8ปด ตันหาในรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะธรรมรมเนี่ยนะอันพิสูดใดละตันหานี้ขาดแล้วคือตัดขาดแล้วสงบแล้วมีความไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสียแล้วด้วยไฟคือยานพิสูจนนั้นเรียกว่าปราศจากตันหาสละตันหาคายตันหาปล่อยตันหาละตันหาสละคืนตันหามีราคาไปปราศจากแล้วสละราคะแล้วคายราคะปล่อยราคะละราคะสละคืนราคะ เป็นผู้ไม่มีความหิว้วเป็นผู้ดับเย็นแล้วสเสสุดมีตนเป็นดังพรมอยู่นี่เรียกว่าภูละตัญหาคําว่ามีสติในการละทุกเมื่อเนี่ยนะคำว่ามีสติในการทุกเมื่อก็คือมีสติทุกสมัยตลอดการทั้งปวงตลอดการเป็นนิดตลอดการยั่งยืนติดต่อต่ อ, ตอเนื่องเนื่องกันสืบไปเนี่ยต่อลําดับไม่สับสนกันไม่ว่างประกอบด้วยความพร้อมเพียงถูกต้องกัน ไม่ว่าจะเป็นก่อนอาหารหลังอาหารเนี่ยนะก่อนก่อนการเป็นปูเรพัดการเป็นตัดฉาพัดตลอดยามต้นยามกลางยามหลังข้างขึ้นข้างแรมรดูน้ำรูดูร้อนรดูฝนไวยต้นไว้กลางไวยหลังรามีสติอย่างเงี้ยตลอดเวลาทุกการเนี่ยนะก็คือมีสติก็คือเจริญสติประฐาน4เป็นต้นดังที่กล่าวไปคําว่าสังขาก็คือปัญญานเนี่ยแหละเรียกว่าสังขารแปลว่านั บ, นบนนเนี่ยนะ ญาณปัญญากิริยาที่รู้ความเลือกเฟ้นความไม่หลงความเลือกเฟ้นปัญญาเห็นชอบคือสัมมาทิฏฐิเรียกว่าสังขา คำว่าทราบแล้วก็คือทราบปริยสัตนะนะทราบ ส, สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาปฏิจจสมุปบาทอนุโลมปฏิโลมรู้อริยสัจ ร, ร, ร, ร, รู้เหตุเกิดความดับอาศะธาอาทีนวานิสรณะภาษายตนะ6ปาทานขันห้ามหาภูตรูปสรู้อภินยยธรรมเป็นต้นจนถึงแทงตลอดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดานี่ถือว่าทราบแล้ว หรือทราบแล้วทําให้แจ้งโดยสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกซ้อนเป็นความลําบากเป็นความเจ็บไข้เนี่ยนะอย่างที่กล่าวไปนี้ก็เรียกว่าทราบเหมือนกันคําว่าดับแล้วก็คือดับรลาฆโทสะโมหะมานะทิฐิเป็นต้นเนี่ยนะต่อถึงความเมาความประมาทกิเลสทุจริตความกวนกวายความเร่าร้อนความเดือดร้อนอกุศลาภิสังขารเนี่ยก็ดับสมุทัยสัตว์ดับบาปอากุศลทุกชนิดเรียกว่าดับแล้ว ถาว่าพิสูจนก็ทําลายทำเจ็ประการคือสกายทิฐิวิจิกิจฉาศีละพตะตประมาตมานะทิฐิกิเลสเนี่ยนะผ่าหันตขีนาศพไม่มีความหวั่นไหวเพราะตันหาไม่มีความหวั่นไหวเพราะทิฐิไม่มีความหวั่นไหวเพราะมานะไม่มีความหวั่นไหวเพราะกิเลสไม่มีความหวันว monthly, วหว่นไหวเพราะกรรม ความวันไวที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือตัญหาทิฏฐิมานะกิเลตกรรมย่อมไม่มีได้แก่ไม่ปรากฏไม่ประจักษ์แก่ภิกษุคือผ้รหันตะขีนาศพนั้นความวันไวเหล่านี้ของผ้รหันตะขีนาศพนั้นละได้แล้วตัดขาดแล้วสงบแล้วไม่อาจเกิดขึ้นอีกเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยาน ทนี้มาดูว่าส่วนส่วนสุดเนี่ยนะส่วนสุดเกี่ยวกัใครที่รู้ส่วนสุดทั้ง2เนี่ยผู้มีปัญญารู้ส่วนสุดทั้ง2ก็คือผัสสะเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งเหตุให้เกิดผัสสะเป็นส่วนสุดที่2องผัสสะก็กับผัสสะสมุทัยเนี่ยนะผัสสะก็คือเนี่ยผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะความประชุมธรรมสาประการทางทวาร6เรียกว่าผัสสะผัสสะเราเนี่ยมีสลายตระนัเป็นเหตุเกิด เพราะใความดับภาษะเนี่ยเป็นท่ามกลางอดีตเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งอนาคตเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งปัจจุบันเป็นท่ามกลางนะก็โดยการนะชีวิตที่ผ่านอดีตอนาคตปัจจุบันสุขเวทนาเป็นส่วนสุดข้างหนึงทุกขเวทนาเป็นส่วนสุดที่2อทุกขมสุขเวทนาเป็นท่ามกลางนามเป็นส่วนสุดนะรูปนามเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งรูปเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งวิญญาณเป็นท่ามกลาง อายตนะภายใน6เป็นส่วนสุดข้าง1อายตนะภายนอก6เป็นส่วนสุดที่2วิญญาณเนี่ยนับได้ว่าท่ามกลางสกายะเป็นส่วนสุดข้าง1สกายะสมุทัยเป็นส่วนสุดที่2ความดับสกายะเนี่ยเป็นท่ามกลางคำว่าความติดก็คือความติดด้วยตันหาความติดด้วยทิฏฐิเนี่ยนะที่บอกว่าเป็นผู้ที่ไม่ติดนะว่า ไม่ติดในท่ามกลางด้วยปัญญาเนี่ยนะรู้ยิ่งส่วนสุดทั้งสองลังที่กล่าวแล้วก็ไม่ติดในสิ่งเหล่านั้นด้วยปัญญาไอ้คำว่าความติดนี่นะปกติก็ความติดแบ่งออกเป็นสองอย่างคือติดด้วยตันหากับติดด้วยทิฏฐิความติดเพราะตันหาเป็นฉนาการทำเขตการทำเดนการทำส่วนการทำความกำหนดความหวงแหนความยึดถือโดยส่วนแห่งตันหาว่านี่ของเรา นั่นเรานี้ของเราประมาณเท่านี้ของเรารูปเสียงเปลี่ยนรถโพธพะเครื่องลาดเครื่องนุ่งห่มทาสีถาดแพะแกะไก่สุกรช้างม้าโคลานาะที่ดินไรนะ่นาเงินทองบ้านนิคมราชธา น, นีแว่นแควนชนบทช้างข้าวคลังของเราอู้หูมันของเราทั้งนั้นเนี่ใช่ไหมรถก็ของเราบ้านก็ของเราเสื้อนั่นก็ของเราคุณก็ยังเป็นของเราอย่างนั้นเนี่ย คนงานของเราอ่ะในงี้นะไลนะ่ ไ, ไปเลย อ, อะไรก็ของเราไปหมดเลยน ะ, ยะนี่แหละ <c oughs> คนพานเนี่ยเป็นอย่างงี้นะคนพานสําคัญว่านั่นของเราอะนะนั่นนั่นทรัพย์ของเรานั่นบุตรของเราโดยความเป็นจริงแล้วตนของตนก็ยังไม่มีบุตรและทรัพย์จะมีมาแต่ไหนนะเอาลองสิ <c oughs> อะไรก็เป็นของเราหมดร่างกายเป็นของเราไหม <c oughs> เป็นลองลําไส้มันเป็นมะเร็งจะเอาไว้หรือไม่เอา อ้าวของเราไม่ใช่เหรอเก็บไว้สิสมมติว่าอ้าวตัดผมแล้วก็เก็บไว้สิถ้ามันเป็นของเราอ่ะไม่เก็บไว้ให้หมดนะใช่ไหมผมน้าลายอะไรออกไปเนี่ยออกไปนอกตัวก็เก็บเอาไว้ให้หมดนะเรียกว่าของเราเลก็ไม่เอากินขนาดนั้นไม่ได้เอาขนาดนั้นอีกนั่นแหละบุคคลย่อมยึดถือเอามหาปฏิปีแม้ทั้งสิ้นว่าเป็นของเราบุงนคนเนี่ยมันยึดเอาขนาดนั้นแนผะ่นดินเนี่ยทั้งหมดของเราอะ ก็แล้วแต่นะใครมีแปลงใหญ่ก็ถือใหญ่หน่อยใครมีแปลงน้อยก็ถือแปลงน้อยนะมีไร่หนึ่งก็ยึดไร่หนึ่งอ่ะมันของเราอนะก็ยึดไปเลยก็อันนี้เรียกว่าความยึดด้วยามสามารถแห่งตันหากับทิถีตันหานี่ก็คือความวิปริตร้อยนะนะตันหาร0อยส่วนความติดด้วยทิฐีนี่เป็นไนะก็คือสกายะทิฐีมีวัตถุ20เนี่ยนะยึดถือขันหโดยความเป็นอัตนั่นแหละ ส่วนมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุสิบก็คือเช่นทานไม่มีพ้นการรักษาศีลไม่มีพ้นบุญบักไม่มีนะอันนี้เรียกว่ามิจฉาทิฐิส่วนอันตะคาหิกะทิฏฐิมีวัตถุสิบก็คือพวกถือที่สุดนะโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวกว่านนั้นสรีระกว่า น, นั้นเป็นต้นนะเรียกว่าอันตะคาหิกะทิฏฐิมีวัตถุสิบต่อไปก็เป็น ปริยุทธานทิฏฐิปริยุทธาน18ว่าความเห็นความรกชัดคือทิฏฐิทางกันดานคือทิฏฐิเสี่ยนน้าคือทิฏฐิความดิ้นรนคือทิฏฐิความประกอบไว้คือทิฏฐิความถือความถือเฉพาะความถือมั่นความรูปคลําทางชั่วทางผิดความเป็นผิดลัทธิเดรธีความถือด้วยสามารถแสวงหาผิดความถืออันวิปริตความถืออันวิปลาดความถือผิดความถือในวัตถุอันไม่จริงว่าเป็นจริง หรือว่าทิฏฐิ62มีประมาณเท่าใดนี่เป็นความติดด้วยทิฏฐิภิกษุนั้นรู้ยิ่งทราบเทียบเคียงพิจรารณาเจริญทำให้แจ้งซึ่งส่วนสุดทั้งสองและท่ามกลางด้วยปัญญาแล้วไม่ติดอยู่ไม่เข้าไปติดไม่ทาไม่เปื้อนออกไปสละไปหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องมีจิตปราศจากเดนอยู่ฉะนั้นจึงชื่อว่าภิกษุรู้ยิ่งส่วนสุดทั้งสองและท่ามกลางด้วยปัญญาแล้วไม่ติดอยู่ เราย่อมเรียกกล่าวสําคัญบอกเห็นบัญญัติภิกษุนั้นว่าเป็นมหาบุรุษคือผู้ที่รู้ยิ่งส่วนสุดแล้วก็ไม่ติดในท่ามกลางเนี่ยเป็นมหาบุตรคือเป็นอัครบุตรเป็นบุตรสูงสุดบุรุษวิเศษบุรุษเป็นประธานอุดมบุรุษบุรุษประเสริฐท่านภาษาริบุตรได้เข้าไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่ามหาบุรุษ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุประมาณเท่าไหรน่น้อและบุคคลจึงเชื่อว่าเป็นมหาบุรุษพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนสารีบุเรากล่าวว่าเป็นมหาบุรุษเพราะเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นผู้หลุดพ้นอ่ะเรียกว่ามหาบุตรหลุดพ้นจากอุปาทานเนี่ยนะเราไม่กล่าวว่าเป็นมหาบุรุษเพราะเป็นผู้น้อมจิตเชื่อ ดูก่อนสารีบุตรภิกษุเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นอย่างไรดูก่อนสารีบุตรภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายในภายในมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาในและโทมนัสในโลกอยู่เมื่อ น, นั้นภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่จิตย่อมคลายกำหนัดย่อมหลุดพน้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่น เปนผู้ที่ละความยึดถือในในกายได้นะไม่มีชั้นทราคะในกายตัดอภิชาและโทมนัสในกายอย่างเงี้ยหลุดพ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทาน4อย่างนี้แหละเรียกว่ามหาบุรุษผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายพี่เรณาเห็นจิตในจิตทั้งหลายพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกอยู่ ภิกษุนั้นพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่จิตย่อมคลายกำนัดด้วยอริยมรรคเนี่ยหลุดพน้นด้วยอริยผลหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิดูก่อนสาหริบุตรภิกษุเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นอย่างนี้แหละก็คือเจริญสติปัณานในกายเวทนาจิตธรรมละตัณหาอาสวะในกายเวทนาจิตธรรมได้หมด ดูกาอนสารีบุตรเรากล่าวว่าเป็นมหาบุรุษเพราะเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วเราไม่กล่าวว่าเป็นมหาบุรุษเพราะเป็นผู้น้อมจิตเชื่อเพราะฉนั้นจึงชื่อว่าเป็นมหาบุรุษภิกษุนั้นล่วงแล้วซึ่งตันหาอันเป็นเครื่องเย็บเอาไว้ในโลกคําว่าล่วงตันหาตันหาอันเป็นเครื่องเย็บเนี่ยว่าตันหาเนี่ยเป็นเครื่องเย็บเอาไว้อันภิกษุใดละแล้วตัดขาดแล้วสงบแล้วระ ง, งับแล้ว ไม่อาจากเกิดขึ้นอีกเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานภิกษุนั้นล่วงแล้วคือเข้าไปล่วงแล้วล่วงไปแล้วล่วงเลยไปแล้วซึ่งตันหาอันเป็นเครื่องเย็บไว้เพราะฉะนั้นภิกษุนั้นจึงชื่อว่าล่วงแล้วซึ่งตันหาอันเป็นเครื่องเย็บเอาไว้ในโลกสรุปคํําคาตอบที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบไปว่าภิกษุมีพรหมจรรย์นในเพราะกรรมทั้งหลายคือประพฤติพรหมจรรย์คืออริยมรตมีองค์8เนี่ยนะเพราะเห็นโทษในกรรม คือเห็นโทษของความติดข้องในวัตถุกรรมด้วยกิเลสกรรมแล้วก็อบรมอริยมรตมีองค์แปราศจากตันหามีสติทุกเมื่อทราบแล้วทราบแล้วก็คือรู้อริยสัจเนี่ยนะดับแล้วก็คือดับสมุทยัยสัจไม่มีความหวั่นไหวด้วยไม่มีความหวั่นไหวด้วยอำนาจตันหารู้ส่วนสุดทั้งสองแล้วก็ไม่ติดในท่ามกลางด้วยปัญญา เราเรียกภิกษุนั้นว่าเป็นมหาบุรุษภิกษุนั้นล่วงแล้วซึ่งตันหาเป็นเครื่องเย็บเอาไว้ในโลกเพราะว่าตันหาไม่สามารถเย็บท่านจากจุติอันเนี้ยไปหาปฏิสนธิอันใหม่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ท่านทำเนี้ยตันหาไม่เย็บให้ไปเกิดในภพใหม่ทันละตันหาที่เย็บกรรมไม่ให้มีละตันหาที่เย็บกรรมให้มีวิบาก ละตันหาเย็บคติเอาไว้ในคติเย็บพบเอาไวในพบเย็บวิญญาณทิติเอาไว้ในวิญญาณทิติเย็บสัตวะว่าไวในสัตวะพารหันเนี่ยท่านตัดท่านละตันหาเหล่านั้นแล้วว่างั้นแล้วก็ตัดตันหาเครื่องเย็บหมดแต่ที่เย็บเนี่ยแต่ที่ตัดได้อย่างนั้นก็ต้องลืศไม่ลืมนะว่าท่านเนี่ยประพฤติพรหมจรรย์คืออริยมรรคมีองค์8เพราะเห็นโทษในกรรมามนะสำคัญมากนะเห็นโทษในวัตถุกามในกิเลสกาม มีสติทุกเมื่อมีเจริญสติประญาทุกเวล า, <ม>านนท่านทราบอริยสัจดับสมุทยัยสัจได้แล้วก็รู้ส่วนสุดทั้งสองไม่ติดในท่ามกลางด้วยปัญญาแหมก็น่าน่าหลุดพ้นอยู่นะก็ถ้ า, ถ, าถ้าปฏิบัติได้ตามนั้นพร้อมเวลาจบพระคาถาทา ร, รมจัจจสุ ปราศจากธุลีปราศจากมนทินเกิดขึ้นแล้วแก่เทวดาและมนุษย์หลายพันผู้มีชั้นท่ร่วมกันมีประโยค่าร่วมกันมีความประสงค์ร่วมกันมีความอบรมวาสนาร่วมกันกับติดสะเมตยพราหมนนั้นนะคือธรรมจักสุเขารู้ว่าสิ่งใดใสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเด่นธรรมดาอันนี้เป็นอนุภาพของอริยมรรคที่แทงตลอดพระนิพพานเนี่ยนะ เรีกว่ามีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วตรัสรู้สังคตะธรรมนะว่าสังคตาธรรมทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจใจนั้นถ้าแทงตลอดอาสังคตาธรรมก็ดับสังคตะธรรมได้และจิตของติสสะเมตยะพรามนั้นก็พ้นแล้วจากอาสะวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นคือท่านไม่มีกามาสะวะภวาสะวะทิฏฐาสะวะอวิชชาสะวะเลยเพราะท่านไม่ยึดถือด้วยอํานาจตันหาทิฏฐิในตามทั้งหลายเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นหนังเสือชดาผ้ากรองไม้เทา้าลักจันน้ําผมและหนวดของติสสะเมตยพราหมหายไปแล้วพร้อมด้วยการบรรลุเป็นผ้าหาันติสสะเมตยพราหมนั้นเป็นภิกษุครองผ้ากาสายะเป็นบริขารสังฆติบานและจีวรเพราะการปฏิบัติไปตามประโยชน์เนี่ยนะเพราะคือพ่อปันปฏิบัติไปตามประโยชน์ตนจริงเพราะท่านบรรลุเนี่ยเพราะท่านอบรมไตรสิกขาเวลาฟังธรรมอะ่ะ เวลาฟังธรรมท่านอบรมอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาอบรมอริยมรรคแทงตลอดอริยสัจขณะที่ฟังนั้นเลยเพราะฉะนั้นท่านปฏิบัติอย่างนั้นท่านจึงปนมอัญเชลีแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นาศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์งเป็นสาวกดังนี้เนี่ยนะก็บรรลุอีกสองชุดเนี่ยนะของเราก็นั่งอยู่ตามเดิม